พูทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะกำจริงต้องต่อด้วยสวัสดีปีใหม่2516ซึ่งเข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและนับแต่ปีใหม่ดิฉันก็เพิ่งมาพูดกับท่านฟังเป็นครั้งที่สองครั้งแรกในวันขึ้นปีใหม่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะรายการนี้ดิฉันจะจัดรายการในช่วงของวันพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์สองวันถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันพุธประมหาฮาบูรณ์อภิปุณโญพว่วงเหนวยการ หลักสูตรหลีกเรน์ของวัดป่าดอนหายโซซึ่งจะมาสนทนาธรรมกับชั้นด้วยเนี่ยนะคะท่านก็จะได้พบกับท่านผู้ฟังอยู่แล้วรายการของเราจะปีใหม่ปีเก่าดิฉันถือตามธรรมะของพระศาสดานะคะว่าเป็นความจริงที่เมื่อไรก็จริงเท่านั้นดังนั้นเรื่องที่เราคุยกันก็คือเรื่องที่เป็นอมตะนะคะกี่วันกี่วันก็เหมือนกัน ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยการเวลาเป็นอะกาลิโกค่ะเราจะไปเริ่มต้นกับการที่ไปกราบนมัส ก, การพระภิกษุผู้ให้ธรรมะกับพวกเราและให้ท่านได้ช่วยเมตตานำพวกเราปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อการมีสมาธิในการฟังธรรมจะได้เข้าถึงธรรมได้มากขึ้นเราไปกราบนมัส ก, การท่านจันภัยบุญกันณตอนนี้เลยนะคะนมัส ก, การะคะ่ะท่านคะใช่ปาน ก่นที่จะฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจได้แก็จะต้องเริ่มโดยการที่การปฏิบัติสักนิดหนึ่งก่อนวิธีการที่จะฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงมีความเข้าใจได้สิ่งแรกเลยก็จะต้องนํานิวรณ์เอาไปจากใจของเราวิธีการที่จะนํานิวรณ์ซึ่งหมายว่าเครื่องกางกัน้นอุปสรรคที่จะขัดขวางไม่ให้ใจของเราเป็นสมาธิไม่ให้ใจของเรามีความเข้าใจเนี่ยชั่วโวงนิวรณ์นี้เราจะกําจัดมันออกไปได้ ด้วยการตั้งสติขึ้นให้ท่านทั้งหลายมาระลึกถึงลมหายใจแต่ก็มาสติคือการระลึกถึงคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําำรมที่พูดแล้วแม่นานได้แต่ในที่นี้แทนที่เราจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นหรือบุคคลใดๆก็ให้มานึกถึงระลึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจของเราที่มันผ่านออกผ่านเข้าอยู่ในโพรงจมูกนี่แหละ ทางออกทางเข้าของลมพระพุทธเจ้าใช้คาว่าปริมุขขังคือบริเวณด้านหน้าที่เป็นทางออกทางเข้าของลมนี้เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ตาแหน่งไหนในเวลาที่เรามานึกถึงระลึกถึงคิดถึงลมหายใจเนี่ยเราก็ใช้จุดนั้นตําแหน่งนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นที่สมมุติที่เราจะมารู้ลมหายใจของเราเพราะว่าลมเนี่ยมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลา มันไม่ได้เป็นก้อนที่เราจะจับต้องได้แบบนั้นในเวลาที่มันเข้ามันออกเนี่ยเราไม่ได้ตามลมแต่ให้ใช้จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่สังเกตเป็นที่เราจะมาตั้งสติเอาไว้ในลักษณะ น, นี้พระพุทธเจ้าเป ร, เรียบเหมือนกับนายทวานหรือว่ายามที่เขาเฝ้าประตูอยู่แต่ก็จะอยู่บริเวณประตูจะมีคนเข้าจะมีคนออกเข้ามากแค่ไหนน้อยแค่ไหนออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประตูในเหมือนกันเวลาที่ลมเข้าลมออกมันจะเข้าไปถึงอกถึงท้อง หรือออกไปถึงปลายจมูกข้างนอกเราไม่ได้ตามเข้าไม่ได้ตามออกแต่มารู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวลักษณะาการกระทันแบบนี้เรียกว่าเป็นการที่ตั้งสติขึ้นเป็นผู้ที่ระลึกถึงเป็นผู้ที่นึกได้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยอุปสรรคที่จะมันจะทําให้จิตเราไม่เป็นสมาธิไม่สามารถตั้งสติขึ้นได้เหล่านั้นคือเรื่องของคอเครื่องกลางกัน้นคือนิวรณ์ อาจจะเป็นความคิดนึกฟุ้งซ่านไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดที่เป็นไปในทางการความคิดเรื่องที่มันจะคิดทำร้ายคิดอาฆาตคนอื่นแต่ถ้ามีความคิดต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแต่มันจะมีอยู่ชสองกันตอนตรงนี้ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยแต่มีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาก็ตามจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราขี้เกียจง่วงซึมจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราคิดฟุ้งซ่านไปในสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีนนความเกลียดความโกรธความมาคาด หรือเรื่องที่จะทําให้เรามีความกําหนัดลุ่มหลงเป็นมาทางไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเวลาที่มีความคิดนี้เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลมหายใจนี่มันเราลืมไปเราลืมลมหายใจไปนี่ชื่อว่าสติขาดแล้วะสติเพลอหลุดไปแล้วแต่ในขณะที่ถ้าเรามีความคิดนึกนี้นั้นโนอ้นอยู่แล้วเราไม่ลืมลมหายใจอันตัวนี้เป็นขั้นตอนที่2นะแต่เผื่อว่าเรามีความคิดนึกอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้น อ, ยนอยู่ แล้วยังระลึกถึงลมหายใจได้อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังมีสติอยู่ยังมีสติอยู่แต่สตินั้นกําลังมันยังไม่พอที่จะทําให้เราตัดทําให้เราละความคิดที่มันจะทำให้ฟุ้งซ่านบ้างที่จะทําให้เกิดความอาฆาตบ้างทําให้เกิดความอยากบ้างอย่างละไม่ได้เพราะว่าสติยังกําลังไม่พอวิธีการที่จะทําให้สติของเรามีกําลังมาขึ้นมีกําลังสูงขึ้น อุราชเจ้าได้ตรัสถึงว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเอาไปใส่ไว้ในเรื่องใดๆมากจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าจิตมันน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นตรงนั้นจะมีกําลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราต้องการให้สติของเรามีกําลังเหมือนมันกําลังดึงชักเยอะกันอยู่แต่ระหว่างเจ้าเครื่องอุปสรรคต่างๆนิวรณต่างๆพยายามที่จะดึงจิตของเราไปให้ลืมลมให้ไปเกลือกกล้วในสิ่งนั้น กับสติที่กําลังพยายามดึงให้จิตของเรามันลืมความคิดปล่อยความคิดต่างๆเหล่านั้นไปได้เนี่ยเราจะให้สติของเรามีกําลังขึ้นให้เจ้าความคิดนึกนิวร์ต่างๆเหล่านั้นอ่อนกําลังลงได้เราก็ให้จิตของเราเนี่ยมาใส่ไว้กับลมในจิตของเราต ร, ตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีความคิดนึกใดๆก็ตามเราไม่ลืมลงลมหายใจ จะฟังใครพูดอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งทํากิจกรรมใดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราไม่ลืมหลงลหมหายใจในาการการะทําแบบนี้จะเป็นการการะทําที่ทําให้สิ่งที่มากระลมหายใจคือสติเนี่ยลหมหายใจอยู่ตรงไหนจิตเข้าไปรับรู้ลหมหายใจตรงนั้นสติจะเกิดขึ้นดันดีเวลาจิตไม่อยู่กับลหมหายใจสติก็จะค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นสติที่มีกําลังเพิ่มขึ้นอย่างนี้จะทำให้สิ่งต่างๆที่ มาเป็นความคิดนึกต่างๆเหล่านั้นอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงพอมันอ่อนกําลังลงแล้วมันก็จะค่อยจางคลายไปดับไปสติก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นก็จะทาให้จิตของเราเป็นสมาธิมากขึ้นเพื่อในการทําการปฏิบัติตรงนี้สามารถทําได้อยู่ตลอดเวลาและฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้จะทำให้จิตของเรามีกําลังมากขึ้นนั่นเองโยมบอลสาธุ ค, ค่ะคุณมงคลตัดสินใจอะไรที่สําคัญไม่ได้สักทีละล้าละ ล, ะ ล, ะ ล, ะละังถ้าลองมาฝึกสติ จะทำให้มีกําลังในการที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดมากขึ้นไหมคะท่านถูกต้องการตัดสินใจในเรื่องใดๆต้องใช้กําลังจิตนั่นกำลังจิตเพราะฉะนั้นจิตจะมีกําลังมันไม่ใช่ว่าเอาไปไว้ที่ความคิดนึกนั่นนี่นอนจิตจะมีกําลังเหมือนกับ เ, เวลาที่เราใช้เ่นขยายนะคุณชมติวนะเบ <c oughs> นขยายหรือว่าเลนส์นูนเนี่ยรวมแสงเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าแสงมาทั่วๆไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมเราก็เห็นจริงต่างๆได้แต่ถ้ารวมเข้ามาให้มันเล็กนิดเดียวเนี่ย พลังงานตรงนั้นจะมากอย่างเช่นเะดียวกันจิตของเราแตนะ่ถ้าไปคิดนึกอันนี้โน้นมันก็ก็รับรู้ได้กับธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเรารวมเข้ามารวมเข้ามาให้เป็นจุดเดียวนะโดยใช้เครื่องมือในที่นี้คือลมาหายใจเนี่ยจิตที่มีพลังลมนั้นเนี่ยแล้วแต่ไงต่อเราเอาไปจอกับเรื่องอะไรแต่คุณจะเอาไปจอกับการงานอย่างใดอย่างหนึง่งปัญหานอย่างใดอย่างหนึง่งก็จะคลี่คลายสว่างจ้ารู้ว่าควรจะตัดสินใจไปทางไหนได้อันนี้คือกําลังจิตนั่นเองค่ะ เออท่านคะขออนุญาตถามละเอียดลงไปนิดนึงนะคะว่าอันนี้หมายความว่าละในสิ่งที่คิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้นั้นคิดมาหลายวันแล้วอืไว้ก่อนแล้วมาฝึกสติหรือว่าเราฝึกสติไปคิดไปคือจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็คิดไปด้วยดูลมไปด้วยมันทําได้ไหมคะ<อ>ในทางปฏิบัติ ในในทั้งสองทางมันอยู่ที่ว่าจิตของผู้นั้นมีลักษณะเป็นยังไงมาก่อนนะถ้าสมมติเรากำลังคิด p เดอร์หรือว่าใครคุ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วมันมันหลุดออกจากสมาธิไปละแบบฟุ้งซ่านไปละถ้าเป็นลักษณะนี้คุณต้องหยุดก่อนหยุดก่อนเอาหายใจลึกๆหยุดที่จะคิดทุกสิ่งทุกอย่างหลับตาลงมารู้อยู่กับลมหายใจความคิดนึกอะไรยกไว้ก่อนเอาหายใจเข้าสองสาครั้งทำจิตเป็นสมาธิสัหน่อยหนึ่งแล้วค่อยพอมันเริ่มคงที่เข้าที่ ค่อยไปพิจารณาต่อเน่อเพราะว่าความที่จิตมันไม่มีสมาธิมาอยู่ก่อนแล้วทำเป็นอย่างนี้นี่คือกรณีที่หนึ่งหรือถ้าเป็นกรณีที่สองว่าไอ้จิตเราก็มีสมาธิมาอยู่แล้วนะมีสมาธิมาอยู่แล้วไม่ได้คือการคิดใคร่ครวญอะไรบางอย่างอยู่ในกรอบของสมาธิอยู่แล้วและ น, นี้เราก็จะพิจารณาต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรนี่เป็นกรณีที่สองค่ะก็เป็นเรื่องกรณีที่1เนี่ยถือว่าแปลก คิดว่าพอละจากความคิดนั้นมาตั้งสติให้มีกําลังแต่เพียงอย่างเดียวก่อนสามารถช่วยทําให้การตัดสินใจนั้นดีขึ้นได้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง อ, อันนั้นถือว่าเป็นเรื่องมหัส า, ารย์ที่บางคนอาจจะเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไรก็ลองไปทําดูแต่อย่างที่สองเนี่ยคือเหมือนกับอเคยมีความคุ้นเคยกับสมาธิอยู่แล้วบ้างคิดในเรื่องนั้นอย่างมีสมาธิใช่แล้วมันอ่อนกําลังลงต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปอ่าใช่เพิ่มสติเข้าไปอื คำถามนในวันนี้นะคะท่านคะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปาบาททีนี้ถ้าสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแค่ฟังชื่อก็ยากยยแล้ ว, แ, ลวแต่อย่างไรก็ตามอดทนฟังนิดดียวฉนจะอ่านคําถามให้จบแล้วก่อนที่ท่านอาจารย์จะตอบคําถามก็ได้เมตตาขมวดสักหน่อยหนึ่งได้ไหมคะว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นคืออะไรนะคะผู้ที่ถามคําถามชื่อคุณสิริพรบอกว่าได้ดู YouTube เกี่ยวกับภาษาบาลีของรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเป็นรายการที่โยมสมนึกเป็นคนทาอยู่ทั้งช่องสามนะคะต<ช> <4 S 2> อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับคำกริยาตัวเดียวตัวอย่างเช่นนามรูปกับวิ ญ, ญญาณต้องเกิดพร้อมกันโยมขอมาสการให้ท่านช่วยอธิบายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแบบตรงตามรากศัพท์ตามภาษาบาลีส่วนสายดับนั้น โยมอาจจะพอทำความเข้าใจได้เพราะมีตัวอย่างจากสายเกิดที่ท่านให้เมตตาขยายความตามภาษาพูดของสมเด็จพ่อเจ้าคือใครคะคงจะเป็นพระพุทาเจ้านะค่ะปราบนวัสการมาด้วยความเคารพโอเคค่ะท่านตรงทาให้ง่ายนะคะโอเคคำว่าอันนี้มาจากที่ทางรายการชีวิตไม่สมหวังเขาเคยมาสัมภาษณ์อามาเกี่ยวกับตอนที่ไปศืกสารภาษามาลี แล้วก็ทำไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอธมาก็ยกตัวอย่างหลายอย่างนะหนึ่งในเรื่องนั้นคือปฏิจจสมุปบาทแล้วคุณิริพรเนี่ยสงสัยตรงจุดประเด็นที่ว่าเฮ้ยมันตัวเดียวยังไงนั่นก็เลยจะมาทําความเข้าใจผ่านทางคุณโยมเต๋วนี่แหละคุณโยมเต๋วนี่ต้องซักใจให้เกิดความเข้าใจกันด้วยนั่นขั้นตอนแรกก่อนค่ะขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเอาชื่อมันซะก่อนเอาชื่อมันซะก่อนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่พ่อเราพููดดน่คือพพรระเเจ้าา ตอนี้แ <Okay. S 1> ปลเป็นภาษาไทยก็คืออาศัยกันเกิดขึ้นอุ ป, ปทานอุ ป, ปะเนี่ยคือแบบเกิดขึ้นใช่ไหมปฏิจจา <Okay. S 1> นี่คือกองที่อาศัยกันของที่อาศัยกันมันก็แปลตรงตัวว่าของที่อาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นนะคำนี้ก็เป็นคําทั่วๆไปเช่นว่าถ้าเราหิวเราก็ต้องกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เช่นถ้าท้องเราว่างเราก็จะหิวไอ้ความหิวเนี่ยมันก็อาศัยความที่ท้องว่างเกิดขึ้น <Okay. S 1> หรือว่าถ้าคุณไปตากแดดมากหน่อยมันก็จะร้อน ความร้อนก็อาศัยเหตุที่คือคุณไปตากแดดมากนิดหนึ่งคุณก็เลยเกิดร้อนขึ้นอุณหภูมิมันสูงขึ้นความร้อนก็เกิดขึ้นก็อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ก็ธรรมดาอันนี้คือเรื่องที่เราเจอกันในชีวิตทั่วๆไปแล้วก็มาปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้ขอพระท่านโทษนะคะท่านกำลังหมายความว่าการที่ความร้อนเพราะไปตากแดดนี่คือกระบวนการปฏิจจสมุปบาทถูกไหมค ะ, ะเท่ากับเป็นกระบวนการไหมคะถูกต้องถูกต้อง เป็นความเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ว่าจะเกิดขึ้นลอยลอยโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยอันนี้คือประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสุขรหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันไม่ใช่แต่มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยคําว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ทีนี้ในในเรื่องคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายก่อนว่าการทํางานมันเป็นยังไง ในารการทำานของมันเป็นยังไงก็เลยได้ประกาศลักษณะของการทํางานของมันเนบอกว่าเอาถ้าสิ่งนี้มีเนี่ยสิ่งนั้นก็จะต้องมีแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็จะต้องเกิดนี่คือการไฟที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมตรงนี้นภาษาบาลีว่าอิมัสมิงสติอีดังโหตินะคำนี้นะเป็นภาษาบาลีตรงนี้ที่บูรุษชาตว่าว่ า, วาสิ่งเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอันนี้คือคู่สายเกิดอันนคือคู่กอนความเกิดภาษาบาลีตรงส่วนที่สอนที่ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเนี่ยก็เรียกว่าอิมัสสุปาธาอิดังอุปัชติอันนคือข้อความตรงนี้รตรงนี้คือเรื่องของการเกิดเรื่องของการเกิดยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าบอกว่าเร า, าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นคนที่เราไม่ชอบเราก็จะเกิดความ เกลียดเกิดขึ้นจิงกุนเนี่ยฉันไม่ชอบเลยเกิดเห็นเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะเกิดความรู้สึกคือความไม่ชอบเกิดขึ้นอันนี้คือมันเกิดขึ้นละในตอนตรงกันข้ามเราเห็นอาหารอ่ะโหอาหารนี้เราชอบไหมแมมมันก็จะแบบน้ำไหลไหลขึ้นมาเกิดความอยากที่จะกินขึ้นมาอันนี้คือความเกิดก็อาศัยอะไรเกิดก็อาศัยตาที่เห็นอาหารก็จะเกิดความรู้สึก น, นี้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอาศัยตาที่คุณเห็นอาหารนั่นเองอันนี้คือธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะ อันนี้คือความเกิดในเรื่องของความดับก็เหมือนกันแต่ก็ถ้าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นก็ดับไปแต่ภาษาบาลีตรงนี้ก็เรียกว่าอิมัสันิงอสติอิดังนะโหติแล้วก็อิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชันติอันนี้แปลว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไป อันนี้คือเป็นภาษาบาลีที่เป็นการเหมือนกับว่าเป็นสมการที่พระพุทธเจ้าประกาศมาเป็นงานอธิบายที่บอกว่าไอสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นึ่งก็ ค, คือการมีการเกิดการไม่มีการดับสี่บรรทัดตรงนี้ที่อาจมาอธิบายตรงนี้นะค่ ะ, ะตัวอย่างของความดับไปเช่นว่าถ้าเรากินอาหารของเราพอแล้วกินอิ่มแล้วไปธนาความรู้สึกที่มันหิวมันอยากไม่มันก็ดับไปแฮ มันก็ดับไปเพราะอะไรทำไมมันถ the no ึงดับไปได้ก็เพราะคุณกินอิ่มแล้วแล้วก็าอิ่มแล้วเนี่ยเป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ผัสสะที่มันเป็นความหิวเนี่ยมันดับไปหรือไอ้ความรู้สึกที่มันหิวเนี่ยก็จึงดับไปมันก็ดับไปอย่างนี้หรือว่าพอคนที่เราไม่ชอบเขาหายไปแล้วหรือว่าเขาจากไปหรือเราไม่ได้ไปคิดถึงเขาเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันไม่ชอบมันก็ดับไปอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราเจอในชีวิตประจําวันอยู่ประจําคำ อันนี้คือคือง่ายๆนะอันนี้คิดว่าตัมบูฟังท่านนายคนจะเข้าใจได้ทีนี้ในคําถามในในคำถามของคุณจิรุพรเนี่ยที่เรามาเคยอธิบายไว้ในรายการคือตรงนี้คุณจอมติที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีตรงนี้เป็นพุตตบทนะเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดแต่คำว่ามีที่ว่าสิ่งนี้มีใช่ไหมแล้วก็สิ่งนี้จึงมีมีแรกกับมีหลังเนี่ยมันความหมายไม่เหมือนกันโอเคนะค แล้วก็เมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเนี่ยเกิดได้กับเกิดหลังเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ทําไมภาษาไทยมันดูออมาเหมือนกันนะก็ตรงนี้จึงต้องพูดถึงตัวแม่บทคือภาษาบาลีด้วยภาษาบาลีก็บอกอิมาสมิงสติสติตรงนี้คือมีนะไม่ใช่ว่าสติแบบที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเป็นการระลึกถึงลมหายใจอย่างนั้นไม่ใช่นะคือรูปมันเหมือนกันก็จรงิงคือเขียนออกมาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคํา กิริยาที่หมายถึงความว่ามีมาจากการทํามาจากรากศัพท์คนละศัพท์แต่ว่าพอมันใส่ปัจจัยในภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีเรื่องของ tense เ, เ, เรื่องของปัจจัยเรื่องของอะไรที่มันจะบวบบวกเข้ากันทําให้รูปมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่า<ม>ความหมายมันคนละอย่างคือคนละอันกับสติที่เรามารู้ถึงลมหายใจคําว่าอิมัตสิงสติตรงนี้เนหมายถึงมีอิทั้งโหติโหตินี่ก็มีแลนะสติที่แปลว่ามี แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะกับโหติที่แปลว่ามีเนี่ยสองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันแต่แต่พอแปลมาเปะะน็นภาษาไทยมันจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ดูภาษาบาลีแล้วมันคนละขั้นกันเลยคนละชั้นกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าในในภาษาบาลีนะคุณหยงติวมันจะมีวรรณนะของภาษาคือความใหญ่ความเล็กไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าอามาพูดว่าฉันกินข้าวอย่างเงี้ยนะฉันกินข้าว<ข>ประธานกิริยาแล้วก็กรรมถูป่ะประธานกิริยากรรมฉันกินข้าว ทีนี้พอเราพูดคำนี้เนี่ยฉันกินข้าวเนี่ยก็คือประธานกิริยากรมรมประธานนี่ก็ใหญ่สุดในกิริยาก็รองลงมากรรมนี้ก็เป็นตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมก็เหมือนกันในภาษาบาลีแต่ว่าประธานเนี่ยจะมีความสําคัญมากที่สุดกิริยาก็เป็นตัวที่รองลงมาและกรรมก็มีความสําคัญน้อยที่สุดทีนี้รูปของความเป็นประธานรูปของความเป็นกิริยารูปของความเป็นกรรมเนี่ยมันจะแฝงอยู่ในตัวศัพท์เลยมันจะแฝงอยู่ในตัวศัพท์เลยแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่มีรูปตรงนั้น อ่าเช่นถ้าผมว่าเราเอาข้าวมาไว้คําแรกข้าวกินฉันข้าวก็จะกลายเป็นประธานไปทันทีฉันก็จะกลายเป็นกรรมไปทันทีเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าฉันมาอยู่ตัวท้ายหรือฉันไปอยู่ตัวแรกเนี่ยหมายถึงประธานหรือกิริยาหรือมันสับสนกันยังไงกันแน่ประธานหรือกรรมกันแน่แต่ภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีตัวที่บอกว่าตัวนี้เป็นประธานไม่ว่าจะไว้ตําแหน่งด้านหลังด้านหน้าตรงกลางมันก็จะยังเป็นประธานอยู่ดีเพราะฉะนั้น ความเป็นบรรณะของมันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนมันจะใ ห, ใหญ่ที่สุดเสมอตัวประธานเนี่ยนะค่ะประเภทในกรณีนี้เหมือนกันในกริยาคำว่ากริยาเนี่ยในที่นี้โหติเนี่ยเป็นคํากิริยาะจะมีความใหญ่ยีทางอีมัสมิงเนี่ยเป็นประธานสิ่งนี้ใช่ไหมกับโหติเนี่ยประธานของในภาษาบาลีเนี่ยก็จะเป็นฉันกินข้าวในภาษาไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็คือฉันข้าวกินประธานจะไว้อันแรก กิริยาจะไว้ท้ายสุดประธานจะไว้อันแรกสุดกิริยาจะไว้ท้ายสุดนันก็จะเป็นฉันข้าวกินแต่ภาษาไทยจะเขียน ว, ว่าฉันกินข้าวใช่ไหมภาษาบาลีก็เขียนว่าฉันข้าวกินแต่เพราะฉะนั้นประธานอยู่ตัวแรกกับกิริยาอยู่ตัวท้ายสุดกิริยาที่ตัวสําคัญนี่ไอ้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางคุณเอาอะไรไปใส่ก็ได้เพื่อที่จะให้ประโยคนี้มันซับซ้อนหรือว่าเพื่อที่จะอธิบายขยายความมากขึ้นเพแต่ในลนักษณะคําว่าอิมัณสมิงสติดังโหติเนี่ย อิมัทสวินี่คือเป็นประธานแดีวสิ่งนี้โหติมีสิ่งนี้มีได้เพราะอะไรก็ตรงกลางนี้จะเป็นตัวอธิบายใช่เหมือนในภาษาอังกฤษนะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีประโยคใหญ่กับประโยคย่อยอยู่ข้างในคุณโยมเดีวเนื่องถึงเรื่อง clause นะ clause นี่คือในประโยคในภาษาอังกฤษนะเขาก็อย่างเช่นว่าฉันไปที่บ้าน ซึ่งบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2557นี่เป็ต้นน ะ, ะฉันไปที่บ้านฉันไปใช่ไหมไปนี่เป็นตัวกริยาหลักสําคัญบ้านซึ่งบ้านหลังนี้ถูกสร้างคําว่าสร้างกับคําว่าไปเนี่ยนะมีความหมายมีความมีศักดาที่ไม่เท่ากันอถ้าเราพูดภาษาไทยอย่างนี้นะฉันไปที่บ้านแต่บ้านหลังนี้บ้านหลังเนี้ถูกสร้างตั้งแต่ปี2557สร้างขยายความาใช่ถูกต้อง แล้วบ้านนี่ก็จะเป็นลูกน้องของไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นวันณะวันณะลงใบอย่างนี้ใหญ่เล็กไม่เท่ากันค่ะท่านคะขอประทานโทษนะคะรบกวนท่านช่วยแปลในประโยคที่คนไทยจะคุ้นเคยคนที่ไม่ค่อยได้แก่วัดเท่าไหร่นะคะจะคุ้นเคยมากยกตัวอย่างเช่นพุทธังสระนังคัจฉามิประธานคือพุทธังถูกไหมคะคําว่าพุทธังเนี่ยเป็นกรรมค่ะคัจฉามิเนี่ยเป็นกิริยาแต่ประธานในที่เนี้ยเขาละเอาไว้ นะคืออย่างเราจะแปไลเป็นไทยก็คือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งไหนคำว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยคือกิริยาคือขจามิาพุทธังก็คือซึ่งพระพุทธเจ้ า, าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึง ข, ขอถึงเป็นที่พึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าอันนี้คื อ, อถ้าแปลเป็นทไทยก็ข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นกรรมของประโยคนถูกต้องพุทธังไงใช่ไหมคะกริยาอยู่ข้างท้ายอยู่ท้ายสุดทีนี้คําว่าข้าพเจ้าเนี่ยยกเอาไว้ ละเอาไว้เนี่ยเพราะว่าตัวผู้พูดเขาพูดอยู่แล้วไงทีนี้กลับมาที่ตรงนี้ที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยไอ้คําว่ามีแรกกับมีหลังเนี่ยที่บอกว่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็บราว่าสักดามันไม่เท่ากันจากตัวอย่างที่เาจมาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าฉันไปที่บ้านซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปีสองห้าเจ็ดนี่บ้านหลังนี้คําว่าสร้างเนี่ยนะสร้างเนี่ย เป็นลูกน้องของคําว่าบ้านถูกไหมแล้วบ้านเนี่ยก็เป็นลูกน้องของคําว่าไปไปเนี่ยก็เป็นลูกน้องของคำว่าฉันเพราะฉะนั้นฉันนี่ใหญ่สุดเลยนะฉันทําอะไรฉันไปไปไหนบ้านบ้านก็ต่ำลงมาใช่ไหมบ้านนี้ทําไมก็สุกสร้างมาตั้งแต่ปีสองห้ไอ้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีสองห้เนี่ยมันตัดติ้งได้พอมันเป็นลูกน้องของคําว่าบ้านแตนะ่ถ้าเราไม่ได้พูดคําว่าบ้านเลยไหนะจะพูดแต่ฉันไปมันก็จะไม่ไม่เต็มความใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนพูดเองคุณจะรักคําว่าฉันก็ได้ ไปบ้านอยนี้คือ <Okay. S 1> คือในภาษาเนี่ยมันจะอธิบายได้ด้วยนัยยะคอนเท็กซหรือบริบทต่างๆอยู่ <Okay. S 1> ตรงนี้แหละที่กําลังจะอธิบายในทีนี้ว่ า, าสร้างนะครับคำว่าไปเนี่ยสักดามไม่เท่ากันกลับมาที่ประโยคนี้ใช่ไหมคำว่ามีแรกที่แปลว่าสติเนี่ยมันสักดา ม, มันไม่เท่ากับโหติโหติก็แปลว่ามีนะครัว่าสติแปลว่ามีในะสติในที่นี้นะแปลว่ามีนะ กับคำว่าโหติในที่นี้มันมันมีแต่สักมันไม่เท่ากันทำให้อัลมาเนี่ยทราบว่าดูจากตัวประโยคนี้ที่เขาอธิบายแล้วเนี่ยนะคำว่ามีเนี่ยมันทำให้บง่งบอกถึงความที่สองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ก่อนไม่ได้หลังกันเพราะนั้นถ้าจะมีคนแปลบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีคำแปลนี้จะไม่ถูกต้องเพราะมันให้ความหมายว่าอนี้ต้องเกิดก่อนแล้วนั้นเกิดทีหลัง อันนี้ต้องเกิดก่อนอันนั้นเกิดทีหลังถ้าสิ่งนี้และสิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งนั้นเนี่ยก็คืออดีตปัจจุบันอดีต อ, อนาคตที่ใกล้ปัจจุบันนิดหนึง่งอย่างนั้นเนี่ยเห็นถ้ามาจะบอกว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีไอ้นั้นเนี่ยมันจะเกิดหลังจากนี้นิดหนึง่งก็คืออนาคตที่ใกล้ปัจจุบนันถูกไหมค่ะแต่ในบริบทเนี้ยในสับคำนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิมังสวิงสติทางโหติ เมื่อสิ่งนี้มีถ้าแปลตรงตัวเลยนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไอสิ่งนี้กับสิ่งนี้นี้แรกกับ น, นี้หลังเนี่ยต้องเกิดพร้อมกันเพราะคำว่ามีเนี่ยเป็นตัวคุมหมดตัวเดียวตัวใหญ่ก้างหลังไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมีก่อนแล้วสิ่งนี้จึงมีทีหลังตามมาไม่ใช่ hmm. อ่ายกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นยกตัว uh. อย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราไปอยู่ในสเปซอยู่ในอวกาศใช่ป uh. ่ะอยู่ในอวกาศอ่าเราจะเห็น วัตถุดวัตถุหนึ่งนะคอวกาศได้เนี่ยเพราะมันมืดหมดใช่ไหมมันดําปืดหมดเลยเนี่ย <itals. S 1> คุณก็ต้องมีแสงถูกปะ่ะมีแสงหลักการของการที่เราจะเห็นรูปใดรูปหนึ่งก็คือแสงนี่ต้องมาตกกระทบรูปแล้วก็รูปนั้นก็สะท้อนเข้าตาของเราแ <LLC. S 1> ต่ ม, มาถึงแสงจากรูปนั้นสะท้อนวัตถุนั้นเข้าตาของเราเราจึงรู้ว่าอ๋ออรูปนั้นเนี่ยวัตถุนั้นเนี่ยมีอยู่ถูกไหมมันต้องมีแสงและมีรูปถึงจะมีวัตถุถึงจะเกิดขึ้นเราถึงจะเห็นได้ว่าอ๋อมันมีวัตถุอยู่ตรงนั้น ทีนี้ <zept. S 1> สมมติว่าวัตถุนี้อยู่หน้าเราพอดีสมมุตินะมันมีอยู่ใช่ป่ะวัตถุนี้อยู่หน้าเราพอดีแต่ว่ามันไม่มีแสงไม่มีแสงมันก็มืดหมดเลยเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยก็จะเหมือนกับว่าวัตถุนี้ไม่มีถูกไหมในในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีวัตถุแต่มีแต่แสงผ่านไปหน้าเราเนี่ยคือแสงเนี่ยผ่านไปหน้าเราเราก็จะไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะถูกไหมเพราะมันไม่มีวัตถ no sal ุมาสะท้อนแสงนั้นให้เข้าตาของเรามันก็ผ่านหน้าเราไปเฉยเฉเราก็จะไม่รู้ว่ามีแสง เพราะฉะนั้นถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุเราก็จะไม่เห็นแสงอยู่ดีถ้ามีแต่วัตถุแล้วไม่มีแสงเราก็จะไม่เห็นวัตถุอยู่ดีโอเคไหมอันนี้คุณโยมตีควาใจนะค่ะสําหรับเรื่องนี้ชัดเจนค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นวัตถุได้แสงและวัตถุต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะแสงและวัตถุต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีมันจึงมีพร้อมกันถ้าไม่มีมันก็ ไม่มีมีแค่อันใดหนึ่งมันไม่ได้มันจึงเรียกว่าไม่มีถ้ามีแค่อันใดหนึ่งฟังอย่ารังหนึ่งนะถ้ามีแค่อันใดอันหนึ่งมีแค่สติแต่ไม่มีโหัติถือว่าไม่มีในในในคำนี้นะอีมาสมิงสตินะอีดังโหัติใช่ป่ะถ้ามีจะมีแต่สติเนี่ยสติที่แปลว่ามีเนี่ยอีมาส밍นี้มีใช่ไหมแต่ไม่มีหัวติตัวหลังมันจึงเรียกว่าไม่มีเยอะตัวอย่างเช่นในทางในชีวมนุษย์เราชีวมนุษย์เราเช่นว่าถ้าคุณจะมีแต่หัวหน้าทุกคนในบริษัทนี้เป็นหัวหน้ามเลย เอาแล้วมันก็ไม่มีลูกน้องสิโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้ากับลูกน้องต้องอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าบริษัทนี้จะมีแต่ลูกน้องหมดเลยเอาแล้วใครเป็นหัวหน้าเธอกับลูกน้องเธอก็ลูกน้องก็เสมอไปหมดนะมันจึงไม่มีเพราะฉะนั้นหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยต้องอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นตัวเดียวไม่ได้อันนี้แม่เซนไหมอโอเคนะอันนี้คือทั่วไปนะในแบบในบริษัท<อ>เร า, เาพ่อแม่นี่ก็คู่หนึ่งนะกับลูกพ่อแม่กับลูกเนี่ย ต้องอาศัยกัรเกิดขึ้นนะถ้าสมมติชายหญิงคู่นี้เขาจะเป็นพ่อแม่เอาแล้วลูกคุณอยู่ไหนมันมันก็ไม่มีใช่ปะค่ะเออคุณก็จะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นพ่อแม่ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจะมีแต่ลูกเอาแล้วพ่อแม่คุณอยู่ไหนมันก็จะต้องมีพ่อแม่เพราะฉะนั้นกับพ่อแม่นี่ส่วนหนึ่งลูกนี่ส่วนที่สองต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้ามีอันใดอันหนึ่งถือว่าไม่มีโอเคป่ะอันนี้คือความหมายของคํานี้นะว่าอิมัสมิงสติอินังโหติ อีมสสุ ป, ปาธาอีดังอุ ป, ปัชติถ้ามีอันใดอันหนึ่งถือว่าไม่มียกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าคุณมีแต่โทรศัพท์มือถือใช่ป่ะแล้วคุณไม่มีเสาเสาของผู้ให้บริการอนะโทรศัพท์มือถือ น, นี้ใช้กานไม่ได้คือเหมือนไม่มีมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งไว้ปาหัวคนเฉยเฉยในทาตรงข้าม น, นะในทางรงข้าถ้ามีทศัศเสาของผู้ให้บริการใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอะไรก็ตามที่เขาเพิ่งประมูลกันไปเนี่ย มีแต่สาวแต่ไม่มีตัวโทรศัพท์มือถือมันก็ทํางานไม่ได้มันต้องอาศัยกันทั้งสองอย่างถึงจะเกิดขึ้นมีการสื่อสารเกิดขึ้นได้เออฉันโทรไปหาเธอได้เธอโทรมาฉันได้มันถึงต้องมีอย่างงี้แต่ถ้ามีแค่อันใดอันหนึ่งจบเหตุไ ม, ไม่มีถือว่าไม่มีอันนี้เราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคุณโยมติวนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะอิ ม, มัสเทมิสติอังโหงติเนี่ยหมายความว่าต้องมีพร้อมๆกันมีอันใดอัหนึ่งไม่ได้ อาจมาไล่มาตั้งแต่เรื่องแสงกับวัตถุใช่ไหมอันนี้คือในนอกโลกใช่ไหมจนกระทั่งมาพูดถึงเรื่องของหัวหน้ากับลูกน้องใช่ไหมถ้ามีแค่หัวหน้าอย่างเดียวมันก็ลูกน้องมันจะไม่มนใครมันก็ไม่มีมันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นคแม่ลูกก็อย่างนี้เหมือนกันโทรศัพท์มือถือกับตัวเครื่อก็เหมือนกันค่ะท่านคะแต่อยงไรก็ตามเมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย อย่างไรก็ยังต้องเป็นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถูกไหมคะถูกต้องเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าบอกสมมุติว่ า, าการที่มีคําว่าจึงทําให้เหมือนกับว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นเนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกั น, น, นเกิดขึ้นเหลื่อมกันหน่อยนึงใช่มันก็จะทําให้ในการอธิบายเป็นภาษาไทยนีย่เข้าใจยากเลยนะคะถ้าตัดคําว่าจึงทิ้งอย่างไรเสียก็จึงต้องเป็นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโอเคตรงนี้แหล ค, คือเป็นประโยชน์ไง ท, ที่อาจารยมาได้มาเรียนภาษาบาลีจึงทราบว่าโอ้แม้จะเราไม่ได้มามรู้ภาษาบาลีเราจะพลาดจุดนี้ไปค่ะนะเพราะตัวไวยากรณเนี่นยจะดิ้นไม่ได้เลยว่ามันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะนิมนต์ท่านต่อเลยค่ะโอเคเพราะในเบื้องต้นนี้เราทราบแล้วว่าอ๋อมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นอคนที่จะเป็นเพื่อนกันนะก็ต้องมีสองฝ่ายไม่ใช่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือคุณก็ไม่รู้จักกันมันก็ไม่เรียกเป็นเพื่อนกันแต่ต้องมีสองคนค ท่านภาษายได้บุตรเปรีเหมือนกับไม้สองอ้อสองกามต้องพิงกันแต่มันจึงจะตั้งอยู่ได้นไม้อ้อสองกามพิงกันถ้าเอาอันหนึ่งออกอันหนึ่งก็ต้องล้มเอางั้นไม่เอาอันนี้ออเอาอันนั้นออกอันนี้ก็ล้มอยู่ดีแต่มันจึงต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตรงนี้แหละคือจะเป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันใดอันหนึ่งถือว่าไม่มีมันต้องอาศัยสองอันเกิดขึ้นจึงมีโอเค นในเบือ้อต้นเป็นตรงนี้นีนนน่คือที่ ค, คุณสิริพรถามมาทีนี้ในคราวหน้าเราจะมาลงรายละเอียดว่าอะที่มันเกิดเกิดเนี่ยมันอะไรที่มันดับดับเนี่ยมันอะไรเพื่อที่ให้เจาะลงไปว่าที่วระพุทธเจหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ทั่วๆไปนะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือกับเสาของผู้ประกอบการไม่ใช่แม่กับลูกไม่ใช่เพื่อนกับเพื่อนแต่หมายถึงสิ่งนี้และสิ่งนี้ที่กําลังจะอธิบายต่อไปนั่นเองค่ะแต่ว่าในวันนี้ก็ ทำความเข้าใจกันไปว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงกระบวนการหรือสมการที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะถูกไหมคะกต้อก็จะสรุปอย่างนี้ก็คืออาศัยกันและกันเกิดขึ้นจําไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรุ่งนี้จะมีรายละเอียดของธรรมในหมวดที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งถือว่าเป็นหมวดที่สาคัญมากและนาเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของท่านได้ในทุกขั้นทุกตอนอย่างแน่นอนก็ กราบนมัสการขอพระคุณท่านพระมหาภัยบุญอภิบุญโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้นะคะนมัสการค่ะเราก็เอาไว้ติดตามรับฟังกันนะคะดิฉันเองเนี่ยเมื่อมารู้จักกับปฏิจจสมุปบาทแล้วมีความรู้สึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าอืมใช่ใช่ใช่เมื่อคิดตามนะคะยิ่งทำให้เกิดความศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ว่าเป็นความจริงซึ่งบางทีอยู่กับเราเรามองไม่เห็นแต่ทรงจำแนกแยกแยะได้อย่างละเอียดกระทั่งสามารถพาเราถ้าปฏิบัติตามได้ก็จะล่วงพ้นความทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวงได้เลยติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รายการที่ชื่อสังสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสังสนีนาคพงศ์กันต่อพรุ่งนี้ค่ะพุทว ส, สวัสดีค่ะ